น่าจะคิดผิดไปเพราะไม่แยกแยะงานว่างานใดเป็นไปเพื่อถูกหรือเพื่อผิดงานใดเป็นไปเพื่อสุจริตยุติธรรมหรือเป็นไปเพื่อทุจริตจิตัยมนุษย์และทําลายชาติบ้านเมืองควรแยกงานดังปู่พูดไว้เบื้องต้นนั้นก่อนสิหลานงานคดโกงรีดถ่ายชอรารดบางหลวงเป็นต้นนั้นคืองานต่ํางานไม่สะอาดงานสกปรกรกเขี้งานเบียดเบียนทลายงานที่คนรังเกียจทั้งแผ่นดินงานทําลายสมบัติและจิตใจมนุษย์หนักไปกว่านั้นก็เป็นงานทําลายชาติให้ลมชม ไม่ใช่งานที่สูงส่งและน่าชมเชยและน่าชมเชยสรรเสริญอะไรเลยความจริงโลกเขาไม่นิยมหรอกหากแต่ผู้สกรปรกพ้อมือและใจไม่สะอาดเขานิยมกันเองต่างหากถามทำไมโลกจึงนิยมรักชอบกันนักหนาว่างานราชการเป็นงานสูงส่งเป็นงานมีเกียรติยศชื่อเสียงหล่งปู่ตอบอันงานราชการตามหลักปกครองนั้นสูงส่งและมีเกียรติยศชื่อเสียงจริงแต่ผู้ทํางานในวงราชการเป็นสําคัญเพราะมีทั้งคนดีคนชั่ว คนมือสะอาดและมือสกรปรกสรับปนกันอยู่ในวงราชการตังสีลานถ้าผู้นั้นทําให้ถูกตามหลักปกครองแห่งกฎหมายบ้านเมืองก็ไม่จัดว่าผู้นั้นสูงสง่งมีเกียรติยศชื่อเสียงตรงข้ามประชาชนเรียกว่าเป็นผู้ไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ที่ประชาชนมอบความไว้วางใจให้ยังกลับทําลายสมบัติและจิตใจประชาชนได้ลงคอจะเรียกว่าสูงส่งได้อย่างไรนอกจากเขาจะเรียกคนประเภทนั้นว่ายักษ์ทำลายชาติอยู่ในวงราชการที่มีเกียรติที่น่าเสียดาย ให้คนสะอาดมือดีครองเท่านั้นคนที่ทํางานสุจริตไม่คิดคดทรยศต่อหน้าที่ต่างหากเป็นผู้สูงส่งและมีเกีดยรติยศชื่อเสียงในวงราชการแผ่นดินหลานต้องเข้ารใจตามทำที่ปู่อธิบายนี้แล้วที่ไหนงานใดถ้ามีรายได้เลี้ยงตัวให้ทําเถิดอย่าเป็นคนเลือกงานผลรายได้จะฝืดเคืองไม่คล่องตัวจะเกิดความอดอยาขาดแคลนหากินไม่ทันกับปากกับท้องที่รบกวนอยู่แทบตลอดเวลาควรรีบหางานที่บริสุทธิ์สะอาดธรรมจะไม่เป็นคนว่างงาน ปากท้องจะว่างงานไปด้วยแล้วจะเป็นทุกข์แก่เรานั่นแลถามปู่เวลาคนตายทําไมต้องนิมนต์พระมาสดกุสลามาติกาบางสกุลให้เมืองไทยเรามีทั่วประเทศไปสวดไม่เลยหรือหลานสงสัยต้องขอประธานโทษถ้าเป็นความเข้าใจผิดแต่หลานไม่ได้ปักใจว่าที่ทํานั้นไม่ถูกเป็นแต่เพียงสงสยัยจึงกราบเรียนถามปู่พอเข้าใจในเรื่องราวและหายสงสัยเท่านั้นเองตอบไม่สวดก็ได้ใครจะทําโทษคนที่เขาไม่นับถือศาสนาพุทธเรา เขายังไม่เห็นสวดกุศลามาติกาเวลาคนตายถามสวดเพื่ออะไรปู่ตอบสวดให้บุญคนตายยังไงเล่าเวลาคนนั้นมีชีวิตอยู่เขาขี้เกียจทําบุญเวลาเขาตายแล้วญาติญาติกลัวเขาตกนรกก็ชวนนิมนต์พระมาสวดส่งบุญให้เขาบางทีอาจพ้นนรกได้ถามแน่ใจไหมล่ะปู่ว่าเขาจะได้บุญจากญาติญาติทําส่งให้ไม่ตกนรกตอบแน่หรือไม่แน่ก็เพราะความรักสงสารกันจําต้องทําเออไว้ดีกว่าปล่อยตามบุญตามกรรม ถามในครั้งพระพุทธเจ้าเวลาคนตายแล้วนิมนต์พระไปสวดกุศลามาติกาดังนี้ไม่ปู่ตอบมีแต่ท่านไปปลงกรรมฐานพิจารณาซากศพที่ตายแล้เป็นอสุภะอสุพังทุกขังอริจังอนัตตาเกิดมาและต้องตายเมื่อจีรังยั่งยืนกลายเป็นซากเป็นศพเปื่อยเน่าผุพัพงหาสาระแก่นสารไม่ได้แล้วนึกน้อมเข้ามาสู่ตัวว่าจะต้องเป็นเช่นเดียวกันเพื่อให้สติปัญญาจากซากศพนั้นไม่ประมาท บางรายได้สาเร็จมากผลเพราะการพิจารณาสร้างศบนั้นก็มีท่านจึงสอนให้พระไปเที่ยวกรรมฐานตามป่าชา้าซึ่งถือเป็นทุดงควัดเรื่อยมาจนปัจจุบันนี้นี่มีในธุดง13สาข้อค้นดูก็ยังได้ถามทุกวันนี้ไม่เห็นพระไปเยี่ยมป่าช้าดังครั้งพุทธกาลท่านทำกันเห็นเฉพาะเวลาคนตายแล้วเขานิมนต์ท่านมาสวดกุศลามาติกาเท่านั้นตอบถึงไม่ปรากฏเห็นก็ยังมีพระธุดงกรรมฐานท่านทาเป็นประจำไม่ได้ขาด แต่ท่านไม่ได้เที่ยวประกาศให้ใครทราบเนื่องจากเป็นงานของท่านโดยเฉพาะไม่ใช่งานสวดกินข้าวต้มขนมตามที่ของนิมนต์เวลาคนตายนี่นาถามสมัยนี้ยังมีพระไปกรรมฐานป่าชาอยู่หรือปู่นึกว่าหมดสมัยไปแล้วตอบสมัยบ้าอะไรเอาอะไรมาพูดทำมีสมัยเมื่อไหร่นอกจากพวกบ้าสมัยตื่นสมัยเท่านั้นจึงจะอุตริพูดว่าเที่ยวป่าชาหมดสมัยไปแล้วพระธุดงค์กรรมฐานท่านไม่ใช่บ้าตื่นสมัยอย่ามาพูดในที่นี้เดี๋ยวพระธุดงค์จะแตกวัดกันทั้งหมดจะว่าไม่บอก โน่นไปพูดกับพวกบาสเดินสมัยด้วยการโน่นถามโอ้โหตายจริงสารพูดผิดไปต้องขอประทานโทษมากๆด้วยปู่มันหลุดปากออกมายังไงอันสมัยบาบาบาบอนี่มันชินปากชินใจจึงหลุดปากออกมาอย่างไงไ่ายดายเราก็ไม่ได้คิดคล่องปากจริงสิ่งที่ไม่ให้คล่องอย่างนี้บทพานั่งภาวนาพุโทโธไม่เห็นในเรื่องคอแต่จะคิดไปร้อยแปดหน้านโอโหจริงๆขอประทานโทษย้อนถามเรื่องสวดกุสลามาัธยการอีกเล็กน้อย นั่นมีความหมายว่าอย่างไรปู่ตอบมีความหมายได้หลายอย่างการสวดกุศลามาธิกาถือเป็นคติตัอย่างมาจากพระพุทธองค์เสด็จปโปรดพระมารดาชั้นดาวดึงสวรรค์ฉะนั้นเวลาคนตายจึงนํำทำที่พระองค์เคยสวดโปรดพระมารดามาสวดให้แก่ผู้ตายในสมัยนี้จนเป็นธรรมเนียมเรื่อยมาถามเวลาตายไม่สวดธรรมนี้จะขัดข้องประเพณีของชาวพุทธเราไหมตอบ น่าจะไม่ขัดข้องถ้าเจ้าของสพไม่ขัดข้องตัวเองว่าไม่ได้ทําดังชาวบ้านเขาทํากันส่วนผู้ตายไม่มาเกี่ยวข้องทั้งจะสวดหรือไม่สวดเพราะหมดทนทางจะมาแสดงตนถามเวลาพระท่านสวดกุศลามารติกาให้ผู้ตายจะได้รับไหมปู่ตอบปู่ยังไม่เคยตายและยังไม่เคยมีใครมาสวดกุศลามารติกาให้ปู่จะไปรู้อย่างไรว่าได้รับหรือไม่ได้รับถ้าถามเก่งๆอย่างนี้ก็ไปถามผู้ที่เขาตายแล้วดูสิว่าเขาได้รับไหมแล้วค่อยมาบอกปู่ถาม อีกแล้วปูน่นี่รวดเร็วจริงหลานก็เสิร์จริงหาถามในข้เรื่องความจริงคิดจะถามว่าในธรรมท่านบอกว่าผู้ตายได้รับหมตั้งหากตอบในธรรมท่านไม่ได้บอกไว้ว่าเวลาคนตายแล้วให้ไปสวดกุศลามาริตาให้บอกแต่การทำบุญอุทิศส่วนกุศลถึงผู้ตายผู้ตายที่ควรได้รับกุศลทานของญาติที่อุทิศให้ก็มีเมื่ออยู่ในฐานะจะรับได้ก็มีถามที่รับผลบุญของญาติไม่ได้เพราะเหตุไรปู่ตอบ พระฐานะที่จะรับที่จะได้รับไม่อำนวยเช่นผู้ตายที่เกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ยกระชันเป็นเปรตสิบเอ็ดจพวกและไปสวรรค์นิพพานเสียก็ไม่ใช่ฐานะจะมารับถามจําพวกไหนที่มารับได้ปู่ตอบจําพวกพระทัตตูปชีวีเปรตจําพวกเดียวที่อยู่ในฐานะมารับได้ดอกนั้นไม่ปรากฏถามถ้าญาติถวายทานอุทิศให้ผู้ตายแต่ผู้ตายมารับไม่ได้บุญที่ญาติอุทิศจะตกแก่ใครละปู่ บ, บุญจะไปตกแก่นักโทษในเรือนจำได้อย่างไรก็ต้องตกเป็นของผู้ทำอยู่โดยดีละสิเพราะบุญเป็นธรรมชาติละเอียดอ่อนมากเกินกว่าความคิดคาดคะณีดวงราวจะตามรู้ตามเห็นได้ดังนั้นท่านจึงสอนให้ทำบุญเสียแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่บุญจะได้ติดตัวไปด้วยไม่ต้องหวังพึ่งใครอันเป็นของไม่แน่นอนถามที่นิมนต์มาสวดกุศลามาธิกานั้นมีผลอย่างไรแก่ผู้ตายบ้างปู่ตอบอย่าว่าแต่ผู้ตายจะได้รับผลจากการสวดกุศลามาธิกาเลย แม้คนเป็นที่หนังหอมล้อมอยู่ด้วยขวดเหล้าในบริเวณนั้นไม่สนใจกับการสวดกุศลามาติกาของพระก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาการสวดต่างๆก็สักแต่สวดแต่ทําไปอย่างนั้นเองไม่ผิดอะไรกับนกขุนทองพูดว่าแก้วเจ้าขาส่วนแก้วเป็นอย่างไรก็ไม่สนใจทราบต่อไปจึงน่ากลัวาศาสนาจะกลายเป็นเครื่องมือของโลกไปหมดไม่มีธรรมคือความจริงแฝงอยู่เลยในพิธีต่างๆจะมีแต่ประเพณีตามใจชอบเลื่องไปหมดนั่นแหละเอาละถามมากตอบไปมากเขาที่ว่าปู่เป็นบ้ากันทั้งเมืองเรื่องก็จะไปกันใหญ่ ถามปู่ครับพวกหลานมากราบเยี่ยมปู่เพราะได้ยินกิติศักดิ์กิติคุณปู่มานานแต่จะไม่ขอรู ป, ปูลอะไรมากมีข้องใจยอยู่อย่างหนึ่งที่คนเขาว่าตายแล้วศูนย์ไม่ได้เกิดเป็นอะไรต่อไปอีกเลยตลอดไปความจริงที่าศาสนาสอนไว้เป็นอย่างไรปู่ตอบคำพีกิเลศสอนไว้ว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนิพพานไม่มีสัตว์ทั่วโลกธาต์ตายแล้วสูญสิ้นโดยประการทั้งปวง ไม่มีชิ้นส่วนเหลือเป็นสาระพอให้เกิดต่อไว้อีกได้เหล่านี้เคยมีผู้ถามมามากตก่มาแล้วและก็ได้ตอบไปมากตก่มาเช่นเดียวกันในธรรมของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ตรัสสอนไว้เป็นแบบเดียวกันอย่างตายตัวว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีและนิพพานมีศาสทั่วแดนโลกธาตุที่ยังมีกิเลสอวิชชาครองใจเวลาตายแล้วต้องเกิดอีกบนอย่างขําเว้นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ผู้สิ้นกิเลสโดยสิ้นเชิงแล้วเท่านั้น นอกนั้นปัญเฉพาะตกอยู่ในแหล่งแห่งความเกิดแล้วตายเล่าตลอดไปจนกว่าจะทําใจซึ่งเป็นที่ฝังจมของเชื้อแห่งภพชาติให้สิ้นจากเชื้อนี้โดยิ้นเชิงแล้วจึงจะสิ้นสุดยุติการเกิดตายอย่างหมดเยื่อใหญ่ให้หลานฤทธิกเฟโนเองจเจ้าคำพี์กิเล ท, ที่ชื่อว่าคมพีแสนปริ่นปร่อนหลอกลวงสัตว์ก็ได้เจ้เอาคัมภีธรรมที่ชื่อว่าคมพีร์เด็ดเพชรนาหนึ่งในการสังหารกิเลตก็ได้หรือจะเอาเป็นคาถาว่ากิเลส ท, ทุกประเภทสราณัคฉามิขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้ว เรากล้าหมดก็ได้พุทธังธรรมังสังฆังสราณังคาฉามิขึ้นชื่อว่าพระรัตนไตรแล้วเราน้อมรับหมดก็ได้ถามโอ้โหคำพี์ของปู่นี้พิศดานจริงเพิ่งได้ยิ น, นีเองไปเรียนมาจากไหนปู่หลานไม่เคยได้ยินใครพูดมาก่อนเลยตอบเรียนมาจากป่าจากเขาจากถา้ำหืมพา้าป่าชาป่าชัดซอกขุย้ยริมทานและจากความอดอยากขาดแคลนจากความเด่นตาในการเรียนการปฏิบัติตามคาถาเหล่านี้ ไม่ใช่ได้มาอย่างสะดวกสบายดังผู้มาเ ย, ยี่ยมทั้งหลายที่ถามเอาถามเอา ถ, าอาถ้าอยากรู้ประจักษ์กับตัวเองไม่ต้องแบกความสงสัยอันหนักหน่วงต่อไปว่าตายแล้วเกิดอีกหรือตายแล้วสูญก็ต้องปฏิบัติด้วยจิตตภาวนาตามธรรมที่ท่านสอนไว้เมื่อการปฏิบัติและผลสมบูริ์แล้วคําว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญจะไม่นอกเหนือไปจากการพิสูจน์ด้วยข้อปฏิบัติไปได้เลยต้องรู้ต้องเห็นเพราะเป็นหนทางให้รู้ให้เห็นความจริงโดยตรงเพราะพระเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นจำนวนล้าน ล้วนพิสูจน์จากธรรมะปฏิบัติจิตทพานาทั้งสิน้นท่านจึงรู้ได้เห็นได้โดยไม่ต้องถามกันและถามใครแล้วนำธรรมเหล่านั้นมาสอนโลกโดยผลัดเปลี่ยนกันมาจนถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันคือพระสมณโคโดมของพวกเราชาวพุทธให้ได้ ก, กราบไหว้บูชาและปฏิบัติตามอยู่เวลานี้จะสงสัยไปไหนกิเลสเคยหลอกโลกให้สงสัยและล่มโจมมามากแตมากและนานแสนานานแล้วทําไมจึงไม่พากันเบื่อหน่ายอิมพอในโทษของมันบ้างพอได้ลืมตาอา้าปาเข้าสู่ธรรมดวงประเสริฐเลิศในใจพบ ถามที่ว่าตายและศูนนั้นเป็นคนหลอกลวงของกิเลสหรือปู่ตอบใช่ร้อยทั้งร้อยล้วนเป็นคนลวงของกิเลสทั้งนั้นทําท่านไม่ได้หลอกลวงใครนอกจากปลกสัตว์โลกให้ตื่นจากหลับจากหลงไปตามกิเลสเท่านั้นทําท่านไม่หลอกสัตว์ทําท่านเมตตาสัตว์ทําท่านจริงจังต่อสัตว์ผู้ทุกยากอยากให้ทุกคนทุกคนภายถ่ายเดียวถามการเกิดเกิดได้ทั่วไปหรือเกิดได้ในคนในสัตว์ชนิดเดียวปู่ เช่นเคยเกิดเป็นคนแล้วต้องมาเกิดเป็นคนซ้ำๆอีกอยู่ตลองนั้นหรืออาจไปเกิดเป็นสัตว์อื่นอื่นกำเนิดอื่นๆเป็นเทวดาอินพรหมก็ได้โปรดเมตตาด้วยปูตอบตามแต่วิบากดีชั่วของสัตว์แต่ละลายทําให้ผลักดันและหนุนค้าให้ไปเกิดในกำเนิดต่างๆทั้งต่ําและสูงอวิชชาคือกิเลสทูปฝังลึกอยู่ในใจเป็นเชื้อพาให้สัตว์เกิดวิบากดีชั่วพาให้เกิดในกำเนิดต่ําสูงทุกสุขมากน้อยตามกําลังวิบากนั้นๆ สัตว์จะไปเกิดเอาตามความต้องการของตนย่อมไม่ได้ต้องไปตามวิบากดีชั่วเรื่อยมาและเรื่อยไปอยู่ธรรนองนี้ถ้ามีบุญก็ไปสูงและเป็นสุขถ้ามีบาปก็ไปต่าและเป็นทุกข์ถ้ามีบุญมากก็ไปสูงมากและสุขมากตามวิบากบุญถ้ามีบาปมากก็ไปต่า ม, มากและทุกข์มากตามวิบากผลใสไปจงทราบไปถึงใจปู่พูดอย่างถึงใจว่าอาวิชชาในจิตนั่นแลเป็นตัวยืนรงที่พาให้สัตว์เกิดตายเกิดตายวกเวียนไปมาไม่มีเวลาจบสิ้นลงได้ถ้าอยากจบสิ้นการเกิดตาย จงทำลายอาวิชาภายในใจออกให้หมดเมื่ออวิชาสิ้นซากการเกิดตายก็สิ้นซากไปตามๆกันอย่างไม่มีปัญหาแต่การตายและศูนย์นั้นมันเพลงอาัศาจารรย์ของอวิชากล่อมศัตว์โลคไห้ตาบอดต่างหาไม่มีความจริงแม้ห่เปอร์เซแฝงอยู่เลยมันโกหกร้อเเซนตแท้ๆจงจำจงเขตุหลาบในเพลงของมันอย่าหันไปลองถ้ามัอยากตาบอดตลอดกับการจะว่าปู่ไม่บอกปู่สงสารรีบบอกอยู่ตรงๆนี่แหละฟังนะคำว่าตายศูนย์ไม่มีอย่าเชื่อ อวิชาอุตริไร้มนโกโหกสัตว์โลกแต่คําว่าตายแล้วเกิดนั่นมีทั่วแดนโลกธาตุพระธรรมท่านประกาศยืนยันเรื่อยมาจงเป็นที่ลงใจและมั่นใจจะ่รนเรเดี๋ยววิชาคว้าไปต้มยำขยํากับน้าพริกจะว่าปูไม่ฉุดไม่คว้าเอาไว้ปล่อให้จมไปกับมันเอาละพอกินพอใช้ขนาดนี้แล้วไปปูเหนื่อยถามกลาวเปลี่ยนถามปูบ้างเล็กน้อยขอประธานโทษ ด, ด้วยที่มารบกวนเวลาและทาตขันปูเรื่องที่น่าให้สงสัยมีอยู่ว่าเมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธศาสนา คนนับถือศาสนาพุทธอย่างน้อย 80% แต่ผลที่แสดงออกทุกสถานที่การเวลามีแต่ผลลบที่ขัดแย้งกับคนไทยที่นับถือพระพุทธศาสนาแต่ละวันเวลาแสดงออกแต่สิ่งไม่ดีเช่นการร้นจี้ล้วงกระเป๋ากระบัะยักยอกตีชิงวิ่งราวคดโกงรีบไถ่ร้อยแปดล้วนเป็นขอไม่ดีและขัดต่อสินธรรมของชาวพุทธจึงทําให้สงสัยว่าการนับถือศาสนานั้นนับถืออย่างไรกันเรื่องถึงได้เป็นอยู่อย่างนี้จะแก้ไขยอย่างไรจึงจะตรงกับเป้าหมายของพุทธศาสนา ที่มุ่งหมายให้ผู้นับถือเป็นคนดีมีความสงบสุขทั่วนาคันกรุณาปู่ช่วยเมตตาชี้แจงด้วยตอบคำว่านับถือศาสนากับการปฏิบัติตามหลักศาสนาธรรมนั้นมันต่างกันหลานการนับถือนั้นคือความยอมรับว่าดีไม่ขัดไม่แย้งไม่แข่งดีแข่งเด่นไม่ดูมินเหยียดหยามความเทิดทูนความเทิดทูนไว้บนหัวหรือบนเสียงกล่าวแม้จะปฏิบัติตามไม่ได้แต่ก็ไม่นํากิริยาที่แข็งกระด้างอวดอ้างว่าตัวดีตัวเก่งเข้าไปกล้ำกลายศาสนา ยกศาสนาไว้บูชาบนหัวใจอยู่เสมอนี่เรียกว่าความนับถือศาสนาส่วนการปฏิบัตินั้นคือปฏิบัติตามหลักศีลหลักธรรมด้วยกายวาจาใจไม่ล่วงเกินฝ่าฝืนหลักของศีลธรรมที่ห้ามไว้ปฏิบัติตามสิ่งที่าศาสนาอนุญาตเท่านั้นเช่นอุบาสกบาศิกาและพระเนรผู้ทั้งใช้ปฏิบัติรักษาศีลธรรมกันจรงิงจังท่านปฏิบัติตามจรงิจรงๆไม่ล่วงเกินฝ่าฝืนสิขาบทน้อยใหญ่ใดใทั้งสิ้นท่านเคารพแทนองศาสนาผู้พุทธศาสน ศาธนารมไว้นี่เรียกว่าการปฏิบัติการนับถือแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักศีลธรรมคนเราย่อมรวมตัวทําในสิ่งนอกเหนือศีลธรรมได้ดังที่รู้ๆเห็นๆกันอยู่นั่นคือเขาไม่ได้ปฏิบัติศีลธรรมเป็นเพียงนับถือเฉยๆ เ, เช่นเวลาเดินผ่านหน้าวัดหรือมองเห็นผ้าก็ยกมือไหว้สักทีแล้วกเดินผ่านไปไม่ได้ตั้งมดัดตั้งมวยวางลวดลายเสื้อโครง่งเสื้อดาวใส่ท่านอันุการดูถูกเหยียดยามคริยาที่เขายกมือไหว้เป็นต้น เรียกว่าแสดงความนับถือคนที่นับถือาศาสนาแม้พวกอาวุธเต็มตัวเดินผ่านวัดเขายังนั่งลงยกมือไหว้พระก่อนผ่านไปแต่กิริยาแห่งการนับถือเหล่านั้นมิได้ลบล้างความไม่ดีที่เขาจะทําและกําลังทําอยู่ได้เลยเพราะมิใช่กิริยาที่แสดงออกเพื่อความลบล้างเขาเพียงยอมรับนับถือเท่านั้นไม่ได้ปฏิบัติตามาศาสนาฉะนั้นเรื่องความเลวร้ายทั้งหลายมีการปรนี้เป็นต้น ยังมีอยู่ตามปกติและอาจเพิ่มมากขึ้นตามคนประเภทนี้มีมากและความคล่องตัวแห่งการกระทําส่วนการปฏิบัติตามหลักสินธรรมนั้นจะไม่มีเรื่องเลวร้ายนี้เกิดขึ้นเลยแม้เรื่องย่อยๆนอกจากความผิดพลาดที่ไม่มีเจตนาเท่านั้นซึ่งอาจมีได้เพราะเป็นเหตุสุดวิสัยเช่นยางรถระเบิดกลางทางขณะที่รถวิ่งสวนกันมาหรือรถที่ตามหลังมาติดๆห้ามล้อไม่อยู่หรือระเบิดในที่ชุมนุมชนและรถลามากย่อมมีทางผิดพลาดและเกิดเหตุการได้ไม่เลือการสถานที่ นอกจากเหตุสุดวิสัยแล้วผู้ปฏิบัติตามหลักศาสนธ ร, รรมจะไม่ทําอันการปรล้นจี่ซึ่งเป็นสิ่งเลวร้ายอย่าปล้นมากนั้นนับว่าห่างไกลกับผู้มีศีลธรรมมากไม่ต้องพูดถึงอย่างไรถ้าเหล่านี้จะไม่ลงใจทำได้ลงคอเลยบ้านเมืองและทรัพย์สมบัตสิสงบเย็นทุกหยอมย่า น, นั่นแหละสมบัติเงินทองขอมีค่าจะทิ้งไว้ที่ไหนก็ทิ้งไว้ได้รากับบ้านเรือนของตนนั่นแหละต่างคนต่างมีความรู้สึกและปฏิบัติอย่างเดียวกันแบบเดียวกันตามหลักศีลธรรมอันเดียวกัน โลกย่อมสงบร่มเย็นมองเห็นหน้าการทักทายกันด้วยความสนิทจิตใจเมตตาอารีไม่ถือดีถือเด่นอันเป็นเรื่องของกิเลสพองตัวยั่วธรรมและความดีคนดีทั้งหลายมีความเยื่อยายไมตรีสนิทสนมราวกับอวัยวะอันเดียวกันด้วยสมานัตตาธรรมกว่าไม่ถือตัวเป็นเรื่องสมัครสมานจะไปไหนไปได้อยู่ไหนอยู่ได้ไม่มีภยัยเพราะต่างคนต่างมีจิตใจกลมกลืนไปด้วยอภัยธรรมเมตตาธรรมกรุณาธรรมมุทิตาธรรม ความพลอยินดีไม่อิจฉาริษยาเมื่อคนอื่นได้ดีอุเบกขาธรรมให้ความส ม, ม่ำเสมอไม่มองกันในแง่ร้ายหมายโทษโกรธเคืองมีความเคารพรักกันทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยตามระดับลำดาฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงเป็นผู้ทําประโยชน์แก่ส่วนรวมและแก่โลกได้เป็นอย่างดีอย่างเด่นในปวงชนนี่แหละการนับถือศ า, าสนาเฉยๆกับการปฏิบัติศ า, าสนามีผลปิดกันดังที่กล่าวมาถ้าอยากให้บ้านเมืองสงบรล่มเย็นต่างคนก็จําต้องปฏิบัติตัวตามหลักศีลธรรมไม่ล่วงเกินฝ่าฝืน ซึ่งเป็นการทําลายตัวละศีลธรรไปด้วยในตัวของผู้นั้นถ้ามีแต่อยากให้บ้านเมืองมีความสงบร่มเย็นปราศจากจุโจรผู้ร้ายแต่ตัวเองกลับเป็นโจรผู้ร้ายเป็นผู้ก่อ ก, กุ่นทําลายบ้านเมืองและทรัพย์สมบัติของประชาชนเสียเองแล้วจะหาความสงบร่มเย็นมาจากไหนแม้แผ่นดินสลายแต่ความชั่วจากคนชั่วก็ไม่สลายไปตามสัตว์บุคคลมีอยู่บนอากาศพวกเหลวร้ายนี้ก็จะตามไปก่ อ, อ ก, กว่นทาลายให้สมบัติเงินทองและจิตใจคนและสัตว์ให้พิ่น่าข่าวสูญอยู่นั่นแลหลเนื่องจากความชั่ว ไม่ได้ขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศแต่ขึ้นอยู่กับคนโดยเฉพาะคนทำดีคนจึงร่มเย็นโลกทำดีโลกจึงร่มเย็นเรื่องความจริงมีดังที่กล่าวมาดังนั้นถ้าอยากเห็นความวิเศษศักดิ์สิทธิ์ของาศาสนาธรรมผู้นับถือาศาสนาจึงควรปฏิบัติตามหลักของาศาสนาอย่าเพียงนับถือเฉยๆราวกับเด็กเด่นตุกตากลางสนามหญ้าเพระาะศาสนาไมิใช่ตุกตาพอจะถูกบีบถูกคน้นโยนไปเหวี่ยงมาอยู่เฉยๆแต่าศาสนา เป็นธรรมศักดิ์สิทธิ์วิเศษสมนามจริงๆถ้าอยากทราบความศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาและของตัวเองก็จงปฏิบัติจงพิสูจน์กันตรงนี้อย่าถือศาสนาเพื่อเป็นข้อแก้ตัวและประดับเกียรติจะไม่ผิดกับลิงได้แก้วเด็กได้ตุ๊กตาตเฉพาะพุทธศาสนากระเทือนโลกมาได้ 2,560 กว่าปีนี้แล้วองค์ได้เปิดนับเวลายังทรงพระชนเข้าด้วยองค์ได้ปิดได้กระเทือนจิตใจของเราชาวพุทธว้างหรือ ย, ยัง จงตั้งปัญหาถามตัวเองอย่าไปถามใครเพราะไม่มีใครรู้ยิ่งกว่าเรารู้เราว่าบกพร่องหรือสมบูรณ์ในด้านศีลธรรมถ้าทุกคนสนใจตั้งปัญหาถามตนดังที่กล่าวมาความดัดแปลงแก้ไขตัวเองและสังคมตลอดส่วนรวมจะตามมาเพื่อจุดสมบูรณ์ภูนผลผู้คนต่างจะค่อยสงบสุขเย็ยนใจขึ้นโดยลําดับไม่อาสงสัยเพราะศาสนธรรมเป็นเครื่องยืนยันรับรองความสงบสุขของโลกมาม า, มากต่อมาแล้วนอกจากผููนับถือ เก็บศาสนาเข้าตู้ดองไว้เรากับผักและผลไม้เสียเท่านั้นศาสนาจึงออกแสดงความจริงอันศักดิ์สิทธิ์วิเศษเต็มตามคุณภาพที่มีอยู่ของตนไม่ได้ทำเครื่องทําลายสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายมีหลายประเภทกิเลสชนิดหยาบโลนคือราคะตัณหาความคึกขนองน้ําล้นฝั่งขอนําสีลข้อกาเมสุมิจฉ า, าจาร์เข้าปราบซึ่งปราบได้ทุกประเภทของราคะตัณหาไม่มีตัณหาตัวไหนจะเก่งกล้าเลยศีลข้อเด็ดๆนี้ไปได้ทั้นมาปราบ นอกจากปล่อยตัวให้ราคาตัญหามันปราบปราบโดยไม่คิดต่อสู้เพื่อกู้ชาติมนุษย์อันสูงสัก์ไวเท่านั้นก็ไม่มีใครช่วยได้ปล่อยให้เป็นเศษมนุษย์ไปต่อหน้าต่อตาที่นาเสียดายและทุเลต ข, ข้อโลภมากปากว้างพุ่งโตกว่าภูเขาคนนำทำข้อทำสันโดษหรือความมักน้อยมาปราบก็อยู่เองไม่กล้าหือได้หรือจะนำมรณะสติข้อระลึกถึงความตายมาปราบว่าจะโมต่โลภอยู่นั้นไม่มองดูความตายที่อาปากจะกลืนหมดทั้งตัวอยู่ทุกลมหายใจบ้างหรือ ตายแล้วเคยเห็นใครหรือคนครอบครัวสมบัติเงินทองกองมาคือมาไปไปด้วยได้หล่อรู้หรื อ, อยังว่าความโลภมันหลอกให้ลืมตายลืมป่าชาตินนะ่ะน่ะกิเลสตัวโลภมากๆมันเคยพาผู้ใดให้มีความสุขสบายมีไหมเห็นแต่โลภมากเท่าไรยิ่งทุกข์มากเท่านั้นได้เท่านี้แล้วมันต้องหลอกว่าให้ได้เท่านั้นเท่านั้นจนตายก็ตายไปเปล่าไม่มีคําว่าอิ่มพอใจ ก, กิเลสตัวโลภมากกระตุกเจ้าของเพียงที่กล่าวมานี้ กิเลสตัวโลภมหาภัยก็สยบลงไม่กล้าลุกลามพามไปมากเลยนี่แหละทำปรากิเลสตัวโลภมาก้าอยากมีความสุขจงพากันนําไปปราบกิเลสตัวไฟลามทุ่งให้ดับมอดลงใจจะเป็นสุขอย่างไม่คาดไม่ฝันที่จะให้มีความสุขเพราะความโลภมากจนให้เพียงพอนั้นจนวันตายก็ตายไปเปล่าทั้งที่หิวโหดยด้วยความอยากความโลภอยู่นั่นแหลจะไม่มีวันพอตลอดกับกันหรือเลยนั้นไปเป็นแสนกับล้านกัน เพราะสัตว์ในแดนโลกธาตุนี้ไม่เคยมีสัตว์โลกรไรใดมีความสุขเพราะความโลภมากและเพราะมันพอตัวอิ่มตัวนอกจากลดความโลภลงด้วยทำโดยลาดับจนไม่มีเหลือภายในใจเท่านั้นจึงจะถึงนองอ้อแห่งความสุขอันแท้จริงว่าอ้อใจไม่มีความโลภสุขอย่างอัศจรรย์นี้ละหรือใจไม่มีความอิจฉาริษยาผู้อื่นมีความสุขอัศจรรย์อย่างนี้หรือใจไม่มีราคะตัณหาหน้ามนฝั่งท่วมหัวใจบีบบังคับขยี้ขย้าหัวใจ เป็นความสุขอัศจรรย์อย่างนี้หรือหนองอ้ออุทานความสุขจะผุดขึ้นที่ใจดวงนั้นเองในทันทีทันใดที่กิเลตัวมหาภัยทั้งหลายเหล่านี้หลุดลอยไปจากใจฉะนั้นการนำทำมาปฏิบัติทําก็ศักดิ์สิทธิ์ในตัวเราแม้เราเองก็ศักดิ์สิทธิ์ต่อ ต, ต, ต, ตัวเองและยังจะเป็นที่เคารพนับถือและเป็นที่ยึดเหนี่ยวของผู้ของผู้อื่นอีกมากไม่จนถึงขั้นจนถึงขั้นหาประมาณไม่ได้นอนแล นี่คือผลแห่งการปฏิบัติธรรมเห็นผลอยัมพทันตาผิดกับการนับถือเฉยๆลอยๆอยู่มากจงจดจำเอาไปปฏิบัติเพื่อความศักดิ์สิทธิ์แก่ตัวเองก็พอตัวแล้วถามแหมความโลภมากอยากไม่มีความพอดีเป็นเบรคห้ามล้อนี้มันทำคนให้เสียคนได้จริงๆนะท่านปู่ทำวันนี้ถึงใจนับแต่เกิดมาก็มีวันนี้ที่ปูน่นาความโลภออกประกาศโทษให้กับผมรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งจริงๆ ตอบราคาตัญหาความโลภความโกรธเมื่อเทียบทางโลกแล้วก็คือตัวมหาภัยมหาอำนาจบีโพจัยสัตว์นั่นแหลจะเป็นบุญเป็นคุณอะไรเพราะมันทั้งสามนี้ที่มันสนุกเครื่องอำนาจก็เพราะสัตว์โลกเคารพ บ, บูชามันนั่นเองเวลานี้ทั่วโลกกําลังเทิดทูลและบูชามันอย่างเปิดเผยและออกหน้าออกตาไม่สะดุดใจกระดางอายธรำเครื่องปราบมันบ้างเลยอะไรอะไรก็เป็นศิลปะไปหมดปู่ก็ไม่ทราบว่า ศิลปะมันคืออะไรมันคือการเห่าหอนอึกะทึกทั่วป่านทั่วเมืองในฤดูเดือนเดือนสิบสองนั่นหรือมันคือตัวโลกโลกบางมากจนหมดอย่างอายพริกกินคว่ำกินงายกินกินทั้งสันทั้งคมกินทั้งขึ้นทั้งล่องกินไม่อัดไม่อัน้นขอแต่มีช่องกินนั่นหรือหรือมันคือตัวแดงแดงตาแดงแดงเหมือนพริกสุกเวลามันแสดงริบเต็มที่กับสิ่งที่ไม่พอใจนั่นหรือนี่หรือศิลปะศิลปะที่โลกนิยมกันนะ ไม่ใช่ท่านปู่เขาว่าศิลปะคือความฉลาดรอบรู้ในสิ่งต่างๆรอบตัวหรือเรียกว่าศิลปะวิทยาความรู้ในแง่ต่างๆเช่นช่างจักศานช่างบ้านช่างเรือนช่างวิชาชีพแผนกต่างๆเหล่านี้รวมแล้วเขาเรียกว่าศิลปะปู่ถามอย่างนั้นหรือปู่เกิดมาแก่แดดแก่ลมเปล่าๆไม่รู้ศิลปะกับเขาทางโลกก็เคยครองอยู่หลายปีก่อนออกบวชแต่สมัยนั้นไม่เคยสนใจกัน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 ทั้งไม่รู้เป็นคาวเป็นหวานด้วยที่สามารถปรุงอาหารหวานคาวได้หลายรสหลายชาติชนี้ก็เรียกว่าศิลปะใช่หรือเปล่าใช่จัดเป็นแขน่งหนึ่งของศิลปะและท่านปู่สาหรับปู่เองซึ่งแก่จูนจะเข้าอู่อยู่แล้วมันเฉยเฉยไม่กระตือรือร้อนกับสิ่งเหล่านี้มีอะไรกินอะไรที่ไม่กังวลสิ้นเปลืองก่อความทุกความฉิบหายมากเกินความพอดีแล้วพอกินพอยใช้ทั้งนั้นแล้วก็เป็นสุขดีไม่หมุนตัวเป็นเกลียวไปกับมัน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 แต่ไม่นําออกมาต่อสู้เสือที่กําลังคํารามปล่อยให้เสือกัดตายเปล่าๆเชนั้นถามขอกราบถามปู่เรื่องพระธุดงค์กรรมฐานได้ทราบเขาเล่าลือว่าพระธุดงค์กรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มัน่นภูริทัตะเตระทางภาคอีสานมีมากกว่าภาคอื่นๆใช่ไหมปู่ตอบดูจะมีมากดังคําเขาเล่าลือเพราะป่าทางภาคอีสานยังมีอยู่มากพอหลบซ่อนตัวบำเพ็ญภาวนาได้สะดวก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 เวลานี้ยังมีอยู่มากอยู่หรือเปล่าตอบยังมีมากอยู่แต่ครูอาจารย์ที่ประชาชนพระเนรครบนับถือรู้สึกร่วงโรยไปมากองค์นั้นร่วงไปองนี้ร่วงไปซึ่งมีแต่องค์สำคัญสำคัญทางจิตตภาวนาแทบทั้งสิน้นถามเวลานี้ยังมีองค์ใดบ้างที่สำคัญทางจิตตภาวนาปู่จะพอเมตตาบอกลูกหลานตอบเรื่องเมตตานั้นเมตตาแต่ไม่อาจบอกได้ เพราะท่านไม่ใช่ปลาเน่าพอะจะประกาศขายทอดตลาดนี่ถามก็เห็นท่านพูดกันอยู่ว่าองค์นั้นเป็นอย่างนั้นองค์ น, ง น, น, งนั้นดีทางนั้นองค์นั้นดีทางโน่นสำหรับปู่ทำไมบอกไม่ได้ตอบปู่ไม่มีภูมิในทางทำนายทายทักท่านบูดไดได้แม้ปู่เองยังไม่เห็นทำนายตัวเองได้ว่าจะตายเมื่อไหร่ร่างกายแก่มากขนาดนี้แล้วซึ่งน่าแคพอทำนายตัวเองได้จะไปอวดเก่งที่ทำนายท่านผู้อื่นอย่างไรกัน เพราะทาให้เหมือนโลกไปเหมือนภาพยนตร์พอจะประกาศโฆษณาให้คนมาชมแบบภาพยนตร์นี้ถามเมื่อไม่ประกาศบ้างพระธุดงกรรมฐานท่านจะรู้ได้อย่างไรว่าครูอาจารย์องค์ใดดีทางใดองค์ใดมีความรู้ความสามารถทางสมถาวิปัสนาวิชาวิมุตติองค์ใดได้ขั้นใดภูมิใดถ้าธุดงทั้งหลายจึงจะมาศึกษาอบรมขับอาจารย์องค์นั้นได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดตอบพระธุดงกรรมฐานผู้สแสวงหาความรู้ความฉลาด แต่ถ้าจะโง่ขนาดนั้นก็ไม่ควรอยู่ให้หนักศาสนาเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนคนสอนพระให้โง่แต่สอนเพื่อความฉลาดทุกแหน่ทุกมุมแห่งธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วอย่างหลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นไม่เห็นท่านประกาศตัวเองว่ารู้และฉลาดในธรรมแง่ใดท่านชอบบาเพ็ญตนอยู่แต่ในป่านในเขาเป็นประจําจนเป็นนิสัยเรากับท่านไม่เคยเกิดกับบานอยู่กับเมืองเลยแต่ครูอาจารย์ใดละ่ะจะมีลูกศิษย์ลูกหาทั้งพระเนรและประชาชนอารวาสมากกว่าท่านทั้งสองนี้